ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องศิลปะป้องกันตัวอย่างพุทธโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงทำไว้เมื่อวันที่17พฤษภาคม2547ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัด น, นี้ วันนี้พอดีเจอเรื่องเรื่องหนึ่งก็เลยคิดว่าอยากจะเอามาพูดให้พวกเราฟังถ้ามีกระดานนี่ก็จะเขียนนะแต่พอดีกระดานไม่ได้เตรียมไว้มีอยู่ห้าข้อถ้าจะพูดวันนี้ถ้าจะใช้ชื่อเรื่องก็คงจะเป็นศิลปะป้องกันตัว ศิละปะป้องกันตัวนี่ไม่ได้หมายความว่าอะไรนะยูโดคาราเต้หรือว่าอะไรมวยหรือว่าอะไรที่เขาฝึกๆกันอะ่ะเพราะ น, นั้นมันศิละปะป้องกันตัวแบบภายนอกแต่ในที่นี้เราพูดกันถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะเพราะนั้นก็จะพูดถึงศิละปะป้องกันตัว แบบของพุทธนะของหลักในาศาสนาพุทธเราซึ่งมีอาจารย์หรือว่าเกจิอาจารย์เนี่ยได้รวบรวมเอาไว้ห้าข้อนะซึ่งคำว่าศิลปะป้องกันตัวอันนี้อาจาแปลเองแปลเป็นไทยเอาเองเพื่อที่จะให้เราฟังง่ายๆแล้วก็ มีความรู้สึกนึกคิดที่เข้าใจใง่ายๆซึ่งอันเนี้ยอาตมาคิดว่าถ้าแปลแบบนี้จะจำได้แม่นถ้าใช้ภาษาพระนะเนี่ยดูนะถ้าใช้ภาษาพระเนี่ยพวกเราได้ยินกันบ่อยแต่อาตมาเชื่อว่าก็อย่างนั้นอย่างนั้นน่ะคงจำได้บ้างหรือเข้าใจได้บ้างไม่เข้าใจบ้างนะคือ คำเนี้ยเราจะได้ยินกันบ่อยคือคำว่าสังวรเดี๋ยวลองถามบางคนพวกเราดูสิสังวรเนี่ยหรือสังวรละที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยบาลีสันกิจพวกเนี้ยนะสังวรหรือสังวรละเข้าใจว่าหมายความว่าไงอ่ก็หมายถึงสํารวมใช่ เราเราไอ้สัมรวมเนี่ยเป็นยังไงอะ่ะ <c oughs> คำว่าสัมรวมเนี่ยเป็นยังไงอ่าระบัดระวังนั้นก็ใช่ <c oughs> คือบางทีเนี่ยเราใช้คําว่าสัมรวมเนี่ยนะเราก็บางทีนึกตึกอยู่เหมือนกันนะบอกให้สัมรวมบาจาอ่าหรือสัมรวมกิริยาอาการต่างต่างนี่ยนะ บางทีเราเราก็นึกๆกรู้สึ ก, กเออมันเหมือนเหมือนเข้าใจดีนะแต่บางครั้งก็เหมือนเหมือนไม่เข้าใจเหมือนกันเคยรู้สึกอย่างนั้นมามคือมันเหมือนเข้าใจแต่บางทีก็เหมือนไม่เข้าใจเวลาจะไม่เข้าใจเนี่ยตอนไหนหรือไม่ตอนเวลาก็ถามเขาถามกลับอะ่ะคือก็ถามนเนี่ยเนี่ยคุณบอกว่าคุณสํารวมเนี่ยคุณสํารวมยังไง <laughs> ชักชักนิชชักงงงงหน่อยนะนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสังวรลเนี่ย สังวระเนี่ยนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็มีหลายความหมายเนี่ยแปลว่าระวังก็ได้เนี่ยระมัดระวังก็ได้แปลว่าสำรวมก็ได้แปลว่าป้องกันก็ได้ในที่นี้เนี่ยอาตมาเอาความหมายของคำว่าป้องกันมากกว่าเพราะรู้สึกว่าเออมันจะจำได้ง่ายขึ้นโดยยิ่งบอกแล้ววันนี้คิดในใจว่าเออ ว่าจะคุยเรื่องศิละปะป้องกันตัวนะศิละปะป้องกันตัวคือถ้าถ้าพวกคุณเนี่ยได้ยินคำว่าศิละปะป้องกันตัวเนี่ยคุณจะเหมือนกับมีภาพขึ้นเลยใช่ไหมวันนึกถึงภาพภาพเป็นยังไงโดยทั่วไป อ, ะอ่ะจะนึกถึงโอ้โหบอกแล้วอะไรนะฝึกยูโดโฝึกครอเต้หรือว่าฝึกไอไอที่เขาเขาบอ ก, บอก ส, อสอนกันนะจะทางทีวีทางโทรทัศน์ทางอะไรต่าง เราจะนึกภาพอย่างนั้นออกมาเลยอืมเพรา ะ, ะนั้นคำว่าสังบอนเนี่ยอาตมาอยากแปลอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยเหมือนกันนึกภาพออกมาเลยแต่บอกแล้วในที่นี้สังบอนในที่นี้นะเป็นคำทางบาลีเป็นคำทางพระเป็นคำทางปฏิบัติธรรมเพรา ะ, ะนั้นสังบอนในที่นี้ย่อมไม่ได้หมายความเหมือนชาวโลกแต่อันนี้เป็นชาวธรรมะแล้วชาวโล ก, กุตระ ที่จะมาพมาประพืติปฏิบัตินักมีเนี่ยเกจิอาจารย์ท่านก็แบ่งเอาไว้เป็นห้าอย่างนะข้อที่หนึ่งท่านก็ใช้คำว่าศีล ส, สังวรอันมาถึงบอกว่าเนี่ยถ้าให้สํารวมในศีลคุณก็พอฟังรู้เรื่องอยู่แหละให้ระวังในศีลเออเอก็ก็ก็เข้าใจอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าใช้คำว่าคุณ ป้องกันศีลของคุณให้ดีนะอัตมารู้สึกว่าเออมันก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นไปอีกถ้าบอกระวังศีลนี่ก็ยังเดยอดดออยู่นะเออมันจะระวังมันจะระวังอะไรอะ่ะทำยังไงที่มันจะระวังศีลของเราเราก็พอเข้าใจอยู่นะแต่ถ้าบอกว่าป้องกันเนี่ยนะมันจะรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยอย่าให้โดนทําลายหรือว่าอย่าให้ต้องสูญเสีย คำว่าป้องกันเนี่ยคื อ, คอต้องต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีเรา ะ, ะนั้นศีล ส, สังวรเนี่ยนะหรือบอกว่าสังวรในศีลของตนใครถือศีลห้านะก็ต้องป้องกันศีลห้าของตัวเองเอาไว้ให้ดีใครถือศีลแปดก็ต้องป้องกันศีลแปดของตัวเองให้ดีอย่าให้ศีลเนี่ยต้องแตกหักหรือว่าโดนทําลายไปซึ่งโดนทําลายก็โดยส่วนใหญ่ก็คือตัวเราเองเนั่นแหละ มักจะเป็นผู้ทําลายศีลของตัวเองคืออย่าอย่าไปโทษคนอื่นถ้าโทษคนอื่นอยู่เนี่ยโทษนอกตัวเนี่ยรับรองเลยคนนั้นจะถือศีลหรือจะป้องกันศีลของตัวเองยากเพราะอะไรเพราะเวลาคนอื่นเนี่ยบางทีอ้าวเขาอาจจะมายั่วเรานะแกล้งพูดยั่วเราหรือบางทีไม่จำพูดละเขาแกล้งมอนเราแบบแบบยั่วยวนกวน วนเบื้องต่านะก็อาจจะแบบแค่มองอ่ะไม่ต้องพูดก็ได้เอาบางทียังยังยังขึ้นได้เลยพูดง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเราเรารู้ตัวเนี่ยเราจะเอ้ยไม่ได้ทีต้องป้องกันไม่ให้ศีลของเราเนี่ยมันจะต้องเสียไปอย่างเข้ามาพูดยั่วเรากวนโทระเราเงี้ยเรารู้ว่าไอ้เดี๋ยวโกรธโกรธเนี่ยเดี๋ยวเราจะอะไรมโนกรรมอย่างแรกแล้วใจเนี่ยจะมาก่อนหรือจิตเนี่ย จะมาก่อนเลยความจิตเนี่ยมันจะคิดในทางอากุศลหรือในทางไม่ดีหรือในทางลบในทางร้ายเนี่ยก่อนเลยเราะแล้วคุณจะป้องกันยังไงอ่ะคนเขามากวนโทสะคุณเนี่ยพวยง่ายเขาจะมากวนน้ําให้ขุนแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วคุณจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดโทสะไม่ให้คิดไม่ดีขึ้นมาอ่าอันนี้ ป้องกันโดยใช้สติป้องกันแล้วใช้สติยังไงอ่ะ <c oughs> เอาสติมาถือไว <c oughs> นะ้ถ้าเขาเข้ามาก็เอาสติเคลื่อนใหเหรือยังไง <c oughs> อ่านะอันนั้นก็ถูกแต่อัตมาจะบอกให้ <c oughs> ข้อที่สองเนี่ยคือสติสังวร <c oughs> คือ ใช่พูดถูกนะไม่ได้ผิดแต่นี้อาตมาจะพูดต่อๆไปเลยนะคือข้อแรกเนี่ยศีล ส, สังวรข้อที่2เนี่ยคือสติสังวรเพราะฉะนั้นในขณะที่เราบอกว่าต้องใช้สติมาช่วยใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะไอ้ที่บอกว่าสติมาช่วยเนี่ยแสดงว่าสติมันมี2 ส, สติแล้วไม่ใช่มีสติกับสตังนะสติมันมีอะไรสติเนี่ย ถ้าแปลก็ง่ายๆก็คือความรู้รู้ตัวความรู้ตัวอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสติวันที่บางทีเราใช้คําว่าเออย่าเพ้อใจนะอย่าห่างใจนะก็คืออย่าขาดสติถ้าถ้าพูดให้มันง่ายขึ้นเนี่ยนี่ก็คืออย่าขาดสตินะคําว่าขาดสติเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้เรื่องเออแบบว่าอะไรนะโดนเอาไม้ฟาถัวแล้วก็สลบเขาก็ใช้คําว่าขาดสติเหมือนกันถูกไหม แต่ขาดสติแบบนั้นน่ะขาดเพราะอะไรเพราะโดนคนอื่นฟาดหัวนหรือทำให้เราสลบเราก็เลยขาดสติคือคือไม่รู้ตัวแล้วยังไงคราวนี้สติเราอยู่ในภพเราแล้วมันมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรละบางคนก็เป็นลมหน้ามืดล้มสลบลงไปัอไอย่างเงี้ยเขาก็เรียกขาดสติแต่ขาดสติแบบนี้เป็นการขาดสติของ ของอะไรของทางกายของทางสรีละไม่ใช่ขาสติทางจิตถ้าขาสติทางจิตเนี่ยถึงบอกแล้วว่าจริงๆจิตเราเนี่ยมันมีดวงเดียวแต่มันคิดได้เยอะแยะคิดได้หลายอย่างถ้าเราแยกใหญ่ๆสองอย่างก็คืออย่างหนึ่งก็คือว่าคิดชั่วอีอย่างหนึ่งก็คิดดีเมื่อคืออาตมาก็พูดว่า ได้ยินแวแวๆพันเตทตทิละเทศเมื่อวาอาทะที่ถามว่าอาตอนนี้ตอนนี้เนี่ยคิดกุศลหรือว่าอากุศลเพราะสติเนี่ยมันมีทั้งสติที่เป็นกุศลกับอกุศลเขามายั่วเราหรือเขามาด่าเราเราโกรธขึ้นมาแล้วเราด่าเขากลับเนี่ยคุณว่ามันมีสติอยู่ไหมมีสติอยู่ไหมถ้าไม่มีเนี่ยด่าเขาถูกก็ปะ ถ้าไม่มีด่าเขาถูกไหมจะโตเขากลับได้ไหมมันรู้ตัวไหมว่าว่าเนี่เนี่ยเนี่ยกำลังโดนด่าแล้วก็มันไม่ได้ไอันนี้ด่ากูกูต้องด่ามึง อ, อย่างเงี้ยคือรู้ตัวไหมถ้าพูดถึงว่ารู้ตัวไหมสลบอยู่หรือเปล่าพเพราะเาด่าปั๊บสลบเลยแล้วก็จําไม่ได้แล้วเอถ้าอย่างนั้นก็ดีที่ได้ไม่ต้องด่าเขากลับแต่มันรู้ตัวใช่ไหมแต่รู้ตัวแบบนี้แหละ ภาษาพากเราเรียกว่าอย่างงี้แหละขาสติคือรู้ตัวแบบชนิดที่ว่าอากุศลแล้วจิตคิดไม่ดีแล้วนี่โหนี่เขาทําอย่างนี้นี่เขาแกล้งแล้วนี่เขาทําอย่างนี้นี่เขาใส่ไล่ป้ายสีเล้นี่เขาทําอย่างงี้นี่เขาอะไรอะ่ะโกงแล้วนี่คืออย่างนี้เรากำลัง ค, คิดอกุศลไปแล้วขณะที่เราเนี่ยคิดอกุศลอยู่เนี่ยคุณตื่นตืออยู่เนี่ยคุณไม่ได้สลบสไลด์เลยคุณมีสติ แบบอกุศลอยู่ <c ười> คูยง่ า, งายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี่ยมันก็คิดอยู่เลยคิดอยู่เลยนั่นแหละที่บางทีเนี่ยในทางธรรมะเราเราบอกคุณขาดสติแล้วทั้งทั้งที่บางทีเนี่ยเสียงเราได้ชอดชอดอดอดเลยนะ <c ười> แต่เราบอกนั่นแหละคุณขาดสติแล้วบางทีเนี่ยโอ้โหเขวี ย, ยงจานเลยนะตื่นเตือยู่เนี่ยโอ้โหเขวี ย, ยงจานเขวี ย, ยงคอน เครี่งจานนี่คือจานจริงๆส่วนเครื่งคอนี่ก็คือส่งสายตาส่งสายตาไม่ชอบใจให้ละอืมก็ยังดีกว่าเครียยงขานนะซึ่งอันนั้นนะเราเรียกว่าคาสติเพราะอันนี้คุณจะต้องเข้าใจให้ดีตะกี้ย้อนกลับมาใหม่ที่ตะกี้เราพูดถึงศีลสังบอบอกเราจะป้องการศีลของเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นมีผู้บอกว่าเราจะต้องมีสติอัตมาก็บอกว่าเออถูกต้อง ต้องมีสติจริงๆแต่ต้องเป็นสติที่เป็นกุศลเพราะถ้าสติใครเนี่ยเป็นอกุศลรับรองคุณป้องกันศีลคุณไม่อยู่แต่ตอนนี้ศีลของเราเนี่ยศีลแปลว่าอะไรศีลของเราเนี่ยคาว่าศีลเนี่ยหมายความว่าอย่างไงเอาบอกเอาให้คุณอยู่ในศีลของคุณเนี่ยหมายความว่ายังไง แหมอันนี้แปลว่าความดีงามคำว่าศีลเนี่ยมีคนเข้ามาถามคุณอ่ะเนี่ยคุณปฏิบัติธรรมใช่ไหมใช่ใช่ผมหรือว่าชั้นเนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่คุณถือศีลห้าหรือเปล่าถือถือแล้วศีลห้าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงอะ่ะทำไมต้องถือศีลห้าเอออ่อาวข้ออะไรข้อปฏิบัติอะไร ข้อปฏิบัติที่เรากำหนดกำหนดว่าจะกินวันราสักสี่มือ้อนี่คือศีลประการหนึ่งของเราเหรอแอ้ยังไงศีลว่ายังไงเอา้เอาวอ้าวตอบสิอ๋ออันนี้ศีลแปลว่าปกติกินเหล้าสูบุรีเป็นปกติ ปกติตั้งอยู่ในความดีงาม อ, อันนั้นนะบางทีเคยจะยินไหมบางทีเขาพวกคุณอาจจะเคยจะยินมันมีเบญญศีลคู่กับเบญญาธรรมเขาเขาจะแปลเบญญาธรรมว่าฮะเบญญาธรรม เ, เขาจะแปลว่าข้อที่ให้เราเนี่ยปฏิบัติ ด, ดีใช่ไหม ปฏิบัติไปในทางของความดีห้าอย่างถึงเบญจะน่ไงส่วนพอมาเบญจศีลก็คือข้ อ, อข้อห้ามข้อเว็บลดเว้นไม่ให้เราทำชั่วที่จริงแล้วนะไม่ให้เราทำเลวห้าอย่างนี้เราก็เรียกว่าเบญจศีลว่าจริงจริงศีลเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างแต่อย่างต้นเนี่ยอย่างแรกเลยคือ ข้อที่ให้เรางดเว้นจากของไม่ดีนี่ก่อนนะสังวรเนี่ยคือป้องกัน ร, ระวังวันสังวรอย่างแรกนี่ถ้าถ้าใครจําได้ประทานน่ยสังวรประทานประทานนี้แปลว่าความเพียรสังวรประทานนี่ก็คือความเพียรหรือว่าความขยันที่จะป้องกันป้องกันตัวที่หนึ่งคุเจ้าท่านสอนว่าคือป้องกันไม่ให้อะไร ไม่ให้ความชั่วหรือความเลวเนี่ยอย่างาใหม่เข้ามาสู่เราได้ก่อนนะส่วนข้อสองก็คือป้องกันความเลวความชั่วที่เรามีอยู่เนี่ยเนี่ยป้องกันคืออันนี้ป้องกันก็โดยที่ว่าอย่าให้ความชั่วความเลวที่เรามีอยู่กับเราเนี่ยอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยอย่าให้มันเกิดขึ้นหรือทํมาให้มันดับไปให้ได้ แล้วพอแล้วค่อยขึ้นผู้เจ้าท่านถึงค่อยให้ขึ้นเป็นเหมือนกับเบญจะธรรมนี่นะมันจะมีอะไรอ่ะสังบอประธานประหานประธานภาวนาประทานแล้วก็อนุรักษณ์อนุรักษณนาประธานนะมันจะเป็นสี่หมวดซึ่งพอหมวดต่อไปเนี่ยหลังจากที่เว้นอย่าไปทำอะไรเลวร้ายห้ามห้ามห้ามห้ามห้ามแล้วนะก็อะไรอ่ะคราวนี้ความดี ความดีที่เราไม่เคยคิดอยากจะทำเลยความดีอ่ะไม่เคยคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยที่จะทำให้ดีขึ้นไม่อะไรนะไม่เปลี่ยนไป <c oughs> ไม่เปลี่ยนไปสักทีหนึ่ง <c oughs> นะเร็วยังไงก็จะเร็วอยู่อย่างนั้นแหละทาได้แค่ไหนก็จะทําอยู่อย่างนั้นแหะไม่เหมือนผู้จัด ก, การเปลี่ยนไปเลย <c oughs> นะเพราะฉะนั้นพยายาม พยายามที่จะแบบว่าเอออะไรดีๆเนี่ยที่เราคิดว่าเราน่าจะทําได้มันน่าจะทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยะจะเป็นระบบเลยผู้เจ้าทีจะสอนอย่างเงี้วันที่ที่ ก, กีเนี่ยอัตมาถามเรื่องของศีลเนี่ยนะมันก็คือข้อส่วนใหญ่จะเป็นข้อกฎเว้นเนี่ยก่อนหันสิงสามองก็คือป้องกันป้องกันไอ้เรื่องเลวๆและไล่เรื่องกิเลสเรานั่นเองกิเลสเราที่มีอยู่เนี่ยเรื่องอะไรบ้างล่ะ ที่เป็นกิเลสเราโดยเฉพาะกิเลสตัวบิ๊กๆอ่ะตัวใหญ่ๆกิเลสตัวลายๆของเราซึ่งเราก็รู้ตัวเราดีแต่เราชอบปล่อยให้หลุดอยู่เรื่อยลๆอย่างบางคนเนี่ยขี้โกรธอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้ความโกรธหลุดอยู่เรื่อยหลุดอยู่เรื่อยด่าเข้ามั่งขมึงตาใส่คนโน้นคนนี้บ้างอ่าก็แล้วแต่นะว่าใครมีกิเลสตัวไหนบางคนก็ ทำเดินสวิตสวัสดไม่รู้จะพูดยังไงเนะเดินแบบแหมกวนกวนกวนต่อระบบสายตาของคนอื่นเขาทําให้คนอื่นเขาสายตาเสื่อ ม, อมเพราะฉะนั้นแล้วอย่างเงี้ยเราก็รู้กิเลสเราดีาว่าโอ้โหอันเนี้ยไม่ต้องมีใครบอกเราก็รู้แล้วเรารู้ว่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยความมันเป็นความเลวเป็นความไม่ดีของเรา ว่าเราควรจะป้องกันไม่ให้ไอ้ความเลวความไม่ดีที่เรารู้ๆของเราชัดๆอย่างเงี้แหละนะอย่าให้มันเกิดขึ้นหรือว่าพูดง่ายๆให้มันหมดไปเพราะฉนศีลสังวรตัวที่หนึ่งใช่ไหคือเราต้องรู้พวกนี้ยหรือพูดง่ายๆคือรู้สักกยะของเราว่ากิเลสตัวไหนเป็นสักกยะของเราเพราะอะอย่างที่ตะกี้นี้บางคนบอกว่าศีลก็คือข้อที่เราตั้งขึ้นมา ก็ได้ถ้าคุณจะตั้งขึ้นมาเองเพราะเรารู้กิเลสเราใช่ไหมว่าเวลาเนี่ยเราเจอใครปับ๊บนะนิสัยและก็ความเคยชินที่มีมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกนะคือพอเจอใครเนะี่ยต้องทําหน้าทําตาเลยกวนๆคนอื่นเขาอยู่เรื่อยแก้ยากนะเพราะมันเป็นมาตั้งแต่โอ้โหดึกดําบันแล้วนะสะสมมาแต่เรารู้แล้วว่านี่คือปัญหาของเรา อาตอมายังเคยเล่าให้พวกเราบางคนฟังเลยเนี่ยเนี่ยเอามาเทศน์สอนตอนพระธรรมภาคข้าเนี่ยก็เคยพูดให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยอู้อาตมาหน้าดุกว่านี้อจริงๆขมวดคิ้วนิ้วหน้ามากกว่านี้แต่ตอนนั้นน่ะก็รู้ตัวเองอะ่ะตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องชอบชอบทำหน้าอย่างนี้ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้มองเห็นหน้าตัวเองเลยนะแต่มันรู้อะ่ะแล้วก็บางทีบางคนเขาก็ ว่าใส่เข้าบ้างอะใช่ไหมออาทาไมชอบทาหน้าอย่างเงี้ยทำไมจะต้องอย่างนี้อยู่เรื่อยอือแล้วจริงๆไอเราเองเราก็พอรู้ตัวเราอยู่อันตมายังเคยไปส่องกระจกดูเลยดูที่เอ๊ะหน้าเรามันเป็นยังไงวะดูแล้วก็เออก็จริงอย่างที่เขาว่าเหมือนกับอ่ายีทานชาดกอยู่เรื่องเนี่ยที่คนเขาเลือกนกนกข้อแมวให้เป็นประธานของ ของในที่ประชุมนั้นปรากฏว่ามีคนคัดค้านบอกว่าไม่ใช่มีคนมีสัตว์ตัวอื่นๆคัดค้านแลนะไม่ยอมให้นกเขาแมวเนี่ยเป็นประธานในที่ประชุมเขาก็ถามว่าเหตุผลอะไรล่ะที่ทำไมไม่ให้นกเขาแมวนี่เป็นประธานที่ประชุมคนอื่นเขาบอกว่าเพราะนกเขาแมวเนี่ยหน้าตาเถืองถึงเพราะฉะนั้นไม่ให้เป็นพา พูดง่ายๆว่าบรรยากาศไม่ดีบรรยากาศเสียหมดอืมเนี่ยตอนนั้นน่ะอาตมาก็ยังยังไม่ได้ศึกษาธรรมะนะตอนนั้นคิดว่ายังยังอายุไม่มากก็คิดว่ายังอยู่ในระดับวัยรุ่นอยู่เลยก็ปรากฏว่ารู้ละว่าไอ้อย่างเงี้ยไม่ดีแน่นอนนะไม่เป็นที่อะไรอะ่ะน่าชวนมองหรือว่าไม่ทําให้คนอื่นเขาสบายอกสบายใจคนอื่นเขาเจอเรา ดูแล้วไม่มีความสุขเลยอืเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยอัตมาพยายามนะพยายามที่พอรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยสติอย่างที่บอกว่าพอมีสติเมื่อไหร่โอ้ตายละว่าจิตทําหน้าอย่างนั้นไปอีกแล้ต้องรีบไปนะบางครั้งอัตมายังมันไม่ยอมอ่ะหน้ามันไม่ยอมตามตามตามจิตของเราหน้ามันไม่ยอมบางทียังทําต้องเอามือมาช่วยจับเอามือมาช่วยจับนะ พอนิ้ไอ้คิวเราเนี่ยจะขมวดเนี่ยพยายามพยายามดึงมันออกก็อย่าอยให้มันเข้าไปอย่าให้มันเข้าไ ป, อาาไปโอ้โหต้องพยายามอยู่อยู่นานทีเดียวนะเพราะว่าบอกแล้วมันเคยชินมันติดมานานไอ้อย่างนี้บางทีเรารู้นะว่าอย่างไหนเนี่ยไม่ดีของเราเรารู้ไม่ต้องรอคนอื่นมาบอกก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่แก้ไม่ได้เพราะเราชอบปล่อยตามความเคยชินของเราทั้งทั้ที่รู้นั่นแหละ เพราะนั้นคนนั้นถึงบอกว่าจะเปลี่ยนเปลี่ย น, ปยนแปลงตัวเองไม่ได้จะเป็นผู้จัดการไม่ได้คนนั้น <c oughs> นะาจะไม่มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการเลยเพราะจะจะเป็นผู้จัดการได้ถึงจะเปลี่ยนไปได้ <c oughs> อันนี้จะต้องทำให้ได้ถึงบอกว่าบางทีเนี่ยจะต้อ ง, องใช้ทางอะไรนะทางมือมาช่วยทางอะไรมาช่วยก็ต้องอาจามาเคยเคยเล่าบ่อยๆบางทียังขำๆตัวเองเหมือนกันะ มีหลายอย่างอาตมาเนี่ยใช้มือช่วยบางทีแต่ก่อนหน้าบึงบ้งๆไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยอะไรบางทียังหัดไปอยู่หน้ากระจกแล้วก็เนี่ยเอาสองนิ้วอ่ะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยหัดดันมุมมุมปากเนี่ยขึ้นหัดดมมุมปากเนี่ยขึ้นเออทำกับกระจกแล้วก็ดูขํำๆดีอะแล้วมันก็ทําให้อารมณ์เราดีเอออ้าวแล้วมันก็ช่วยได้จริงๆนะพอพอเวลาเราไปเจอคนอื่นเขาเราก็เออพยายามทําอารมณ์ดีๆถ้ามันไม่ยอมทําตามก็บอกแล้ว เราก็ทําเป็นยกมุมปากเราเคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราก็อดขาตัวเองไม่ได้มันก็เลยทําให้อารมณ์เราดีขึ้นแล้วมันช่วยได้จริงๆถ้าถ้าเราพยายามทำจริงจริงนะอั น, น เ, เนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตั้งขึ้นมาเองก็ได้เนี่ยเป็นศีลสังวรคือเราจะป้องกันป้องกันยกตัวอย่างเหล็กี้นี้ว่าแม้เรารู้ละหน้าเราเยมันชอบบึง้งตึงมันชอบอะไรพวกนี้นี่ยเราก็ตั้งศีลขึ้นมาว่าเออเราจะต้องมีสติพยายามรู้ตัว นะรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยต้องอต้องทำเบิกบานให้ได้คุณจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่ที่เป็นกุศลที่เป็นสติที่เป็นกุศลเนี่ยนะเอามายกจิตเราขึ้นมาป้องกันศีลของเราเนี่ยไม่ให้เสียหายไม่ให้ชํารุดไม่ให้เสื่อมไปนะ้ำพร้อใครเนี่ยมีศีลสังวร อ, อันนี้ได้คนนั้นจะป้องกันศีลของตัวเองได้แล้วพอเรามีสติ จะม่บอกว่าสติที่เป็นกุศลคอยรู้ตัวคอยรู้ตัวคอยเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆคอยเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆนาะอย่าเผลอบอกละอย่าขาดสติบางครั้งเนี่ยเรายังไม่เก่งมันจะขาดสติคือมันจะทำไปตามความเคยชินเนี่ยจนกว่าสติที่เป็นกุศลคุณจะมาไม่รู้ละมันมาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเบื่อบางคนเนี่ยพยายามระดนะับอุตสาตั้งตะบะ คือคือคือตั้งศีลของตัวเองอะ่ะว่าเออจะงดเบ้นของหวานจะไม่กินขนมเพราะว่าจะแย่อยู่แล้วสุขภาพจะเสียอยู่แล้วนักเลยตั้งศีลให้กับตัวเองเพราะรู้แล้วว่าเร า, เ, ราเนี่ยชอบกินขนมอย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้หน้าเลยฮะหน้าอะไรนะทุเรียนเหรออา้าวบางคนเนี่ยติดทุเรียนอาผลไม้ก็ะแดกนะเราติดทุเรียนมากเลยเรารู้ว่าโอโ้โหถ้าเจอทุเรียนนะ ไม่ใช่คุณทุเรียนนะอันนี้ผลไม้ชื่อว่าทุเรียนถ้าเจอทุเรียนปับ๊บโอ้โหอดใจไม่ได้อดใจไม่ได้จริงนะอาตาบาหเห็นหมาแล้วเออคนที่ติดทุเรียนนี่ติดจริงๆริงติดมากๆด้วยโอ้โหเห็นไปนไม่ได้เห็นีนกินไอเป็นลูกๆเลยไม่ใช่ชนีนะอันนี้ก็ไม่ใช่ชื่อสัตว์นะอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรยี่ห้อยี่ห้ออ ะ, อะไรนะ ยี่ห้อของทุเรียนน่ะเออพันแหมนึกไม่ออกว่ามันพันแต่เป็นนึกได้แต่ยี่ห้อเออว่าพันชนีได้ไหมเจอเนียยโทชนีเนี่ยน้อยไปนะาเนน้าต้องหมอนทองต้องอะไรนะลูกโตโตอ่ะลูกใหญ่ใหน่อยอืมหือกินทั้งทั้งลูกเลยนะไม่ได้มาถึงกินเปลือกนะกินทุกผูเลยอ่ะของของทุเรียนอ่ะ กินหมดเลยไม่เหลือเลยโอ้โหกินเข้าไปได้ยังไงอ่ะลูกเดียวยังไม่พอเลยบางทีติดนี่ติดจริงๆแล้วโอ้โหก็อร่อยจริงๆอย่างของเขาอ่ะแต่เขาก็รู้นะว่าโอ้โหไม่ดีเลยกินอย่างนี้แล้วสุขภาพก็เสียแล้วก็ไม่ดีสำหรับตัวเขาเองเขาก็รู้นะแต่เขาอดใจไม่ได้เลยซึ่งอันนี้คือการไม่ฝึกสติไม่ฝึกการรู้ตัวแล้วก็ไม่มีศีลสังวร คือไม่ไม่มีการตั้งข้อห้ามขึ้นมาให้กับตัวเองเพราะบางคนเนี่ยขนาดรู้ตัวแล้วแล้วก็ตั้งข้อห้ามขึ้นมาแล้วนะมีสตินะรู้ตัวนะสติสังวรพยายามมีกุศลจิตอยู่รู้แล้วอุตสาตั้งศี ข, ขึ้นมาแล้วนะว่าถ้าเจอทุเรียนเมื่อไหร่จะกินแค่เท่าไหรด่ดีโอ้โหครึ่งลูกก็เยอะไปสิกินแค่ผูเดียวนี่ก็บแหมก็เยอะแล้วนะ ผูเดียวเพอเพอก็โอ้โหไม่น้อยนะาผูหนึ่งอ่ะแต่มาว่ายังจะเยอะไปเลยอืมเอาซักเขาจะเรียกเม็ดเดียวป่ะนะเออกินแค่ไอ้อท่อนเดียวของของผูหนึ่งะนะแค่นั้นก็พอแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราตั้งขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเนี่ยเป็นศีลแล้วเนี่ยศีล ส, สังวรตั้งขึ้นมาแต่พอตั้งขึ้นมาแล้วถ้าสติคุณไม่มั่งคงสติคุณไม่แข็งแรงสติของ อกุศลสติของความเคยชินเก่าอุปทานเก่าๆ เ, เนี่ยมันจะมาเล่นงานมันจะมาบอกเลยอร่อยนะ <c oughs> มันจะมาบอกเลยละ่ะอร่อยนะโอ้โหนี่หมอนทองนะหอมนะอืมเนี่ยแบบว่าเขาเพิ่งเอามากําลังแบบว่าพอดีพอดีเลยนะไม่เละไปไม่แข็งไปนะอือเอาละเนี่ยเนี่ยสตีแบบอกุศลมันกําลังมาละ มาครอบงําคุณแล้วคุณจะรู้ตัวทันไหมถ้าสติที่เป็นกุศลครวนี้รู้ตัวทันเนี่ยมันก็จะพยายามป้องกันศีลของตัวเองที่ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไว้อกไม่ได้ไม่ได้นี่เราตั้งขึ้นมาแล้วนะเพราะเราจะต้องทําให้ได้อย่างที่เราตั้งใจเอาไว้เพราะเราตั้งใจไว้ดีแล้วอ่ะเรื่องอะไรจะมาล้มความตั้งใจดีถ้าเราเราตั้งใจดีแล้วเราล้มเราทําไม่ได้นะเราก็ เปลี่ยนไปไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความพยายามเกิดอะไรต่างๆที่จะต้องทาให้ได้ต้องทาให้ได้แม้ว่าบางครั้งอาจจะแพ้บ้างชนะบ้างแต่มันพยายามจะทำทำด้วยอะไรคราวนี้เนี่ยข้อที่สามนะก็จะทำแบบมียานสังวรนี่คือข้อที่สามข้อที่หนึ่งศีลสังบอลข้อที่สองสติสังวรข้อที่สามก็คือ ยานสังวรบี B. บางทีเอ่อบางคนก็งงงอยู่ยานเนี่ยมันยังไง <c oughs> ไม่ใช่หย่อนยานนะไม่ใช่ป้องกันความหย่อนยานของตัวเองเอาไว้ยานในที่นี้ภาษาอะไรภาษาพระนะยอหญิงสละอาแล้วก็นอเนนนะยานในที่เนี้ยยานแปลว่าแหมยานแปลว่าเพ่งเผา ตา บ, บาอันนั้นตา บ, บายานอา้อยานนี่แปลว่ารู้อา้าวใครแปลว่าอะไรอีกความเข้าใจอ่ะความเข้าใจของเราควาว่ายานเนี่ยเราเข้าใจว่ายังไ ง, งอ่ะอันนี้อันนี้อย่างรู้อา้อาวอ้าวแล้วอะไรอีกมีมีมีใครมีคำตอบอย่างอื่นไหมยานนี้จริงๆก็ก็คือเนี่ยแหละ จะคุณจะบอกว่าความยังรู้หรือจะเป็นความรู้ก็ตามแต่ไม่ใช่ความรู้ธรรมดายานนี่คือความรู้ที่เราเนี่ยสมมุติเรามีศีลสังวรแล้วเรามีสติสังวรแ ล, แล้วแล้วเราก็ลงมือต่อสู้ปฏิบัตินะสู้กับไอ้กิเลสตัวนั้นๆน่นะสู้กับความเออเลวร้ายความบกพร่องของเราในเรื่องนั้น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 แต่พอเราสู้แล้วเนี่ยตอนลําบากลําบากเนี่ยพอเราสู้แล้วเราชนะเนี่ยโอ้โหมันโลง่งมันสบายมันเบาวกว่ากันยังไงเนี่ยคุณจะมีความรู้พวกเนี่ยความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติได้ความรู้ความเข้าใจจากการที่เราปฏิบัติได้ด้วยตัวของเราเองในเรื่องนั้นๆเนี่ยมันเกิดยานขึ้นมาเกิดความรู้อันนี้เพราะฉนั้นยานสังวรเนี่ยหมายถึงว่าเราก็จะต้อง ป้องกันเอกความรู้ดีอย่างเงี้ยของเราป้องกันความรู้ความเข้าใจที่เราทําได้ทําได้ทําได้หรืออาตมาจะใช้คําว่ามรคผลเนี่ยผลที่เราทําได้เนี่ยนะผลผลที่มันเกิดจากคุณทําสําเร็จจะมากจะน้อยแล้วแต่นะถือว่าทําสําเร็จสักสิบเอร์เซ้าอร์ซแต่ไม่เป็นผลที่คุณทําได้จริงๆคุณสู้กับกิเลสตัวนะั้นตัวนี้เราได้มาจริงๆชนะ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 เหมือนกับยกตัวอย่างง่ายๆแต่ก่อนคุณกินเนื้อสัตว์อยู่นะส่วนใหญ่ในที่นี้คิดว่ามีแม้ใครกินมังซีวิลัสตั้งแต่เกิดเลยในที่เนี้ยมีไหมคงไม่มีนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะต้องเคยกินเนื้อสัตว์มาแล้วแล้วพอเรามาเลิกเห็นไหมดูนะบางคนอาจจะเลิกง่ายบ้างบางคนอาจจะเลิกยากบ้างแต่เลิกแล้วเนี่ยเราจะรู้หรือว่าเออเลิกแล้วมันเป็นยังไงบ้าง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 โอ้ร่งางกายและจิตใจเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้นเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยรู้ด้วยตัวเองจริงๆเข้าใจจริงๆถ้าคุณเข้าใจแท้ๆชัดๆอย่างเงี้ยอาตมาบอกได้เลยคนนั้นน่ะนับวันจะกินมังสวิรัตหรือกินเจนเนี่ยได้บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่าโอ้โหยิ่งทำได้เนี่ยยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งทองใส ย, ยิ่งสบายอย่างนี้คนนั้นจะไม่มีถอยลงเลย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 ความจริงที่เราได้มีมรรคผลที่เราทำได้มีอยู่อะไรกลบไม่ได้อะไรฝังไม่ได้วันในที่สุดเนี่ยมันมันก็จะชดช่วงมันก็จะสว่างขึ้นพอปากฏขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นน่ะไอ้สิ่งต่างๆที่ครอบงําอยู่เนี่ยโดนกว่าทิ้งหมดอะอะไรก็ขวางไม่อยู่แล้ะอะไรขวางไม่อยู่เลยอะจริงๆ จ, จะมีคนมาบังคับให้คุณกินเนื้อสัตว์มีคนมาบังคับให้คุณเลิกถือศีล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 ขันติคือออันนี้คมจะรู้นะขันติก็คือความอดทนอดกลั้นนะเพราะนั้นเราจะป้องกันยังไงให้ความอดท น, นยอยู่กับเราเพราะส่วนใหญ่จะขันแตก <c oughs> ไม่ใช่ขันติ <c oughs> นะป้องกันไม่ค่อยอยู่อะขันระเบิดซะก่อนอืมส่วนใหญ่จะแตกซะก่อนเพราะนั้นน็อตจะหลุดอยู่เรื่อย น็อตหลวมอยู่เรื่อยไม่ค่อยขันน็อตเพราะน็อตจะหลวมที่โดนอะไรนิดโดนติหน่อยโดนเจออะไรที่ไม่สมใจน็อตหลุดเลยเพราะไม่ค่อยขันน็อตเพราะนั่นน็อตมันหลวมอยู่แล้วคนเข้ามาส ก, กิดหน่อยเดียวน็อตหลุดอืมหลุดจริงๆนะถ้าเป็นสายโทรศัก็หลุดแบบโทรศัฟังดูดีถ้าสายโทรศัหลุดเลยโทรศัขึ้นอาจจะดา่าอาจจะลงไม้ลงมือกับเขาเลย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 อุปสรรคเจอปัญหาเนี่ยมันจะไม่หนีง่ายๆไม่ง่า ย, ไ, ยา ไ, ไปสังเกตดูเหอะบางทีเราหนีง่ายๆเลยคำว่ า, าหนีปัญหานี่ไม่ใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเป็นข้ออ้างนะผู้อะไรก็ต้องคอยระวังอยู่เรื่อยเลยอ้าวถ้าเ้าด่าเราเราเราไปอย่างนี้เราก็หนีปัญหาถึงเพราะฉนั้นเขาด่าเราเราต้องด่ากลับเราถึงจะไม่หนีไม่ใช่เพราะในที่นี้เนี่ยที่บอกว่า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 นะไปหลงใครไปชอบกินอะไรแล้วติดเนี่ยคุณมีสติคุณรู้ตัวแล้วเอเอไออย่างนี้ไม่ดีไปติดก็ไม่ดีไปเกียรติก็ไม่ดีเพราะนั้นไอพวกนี้ไม่เอาจัดการชิงซะอะไรที่ดีอะบางทีโอ้โหลำบากเหมือนกันนะไอจะทำดีเนี่ยต้องฝืนใจหลายยกเลยกว่าจะสู้กว่าจะชนะได้นะก็อาศัยความเนี่ย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 มันค่อยๆผ่านไปนะไอ้ไอ้ทุเรียนเนี่ยก็ค่อยๆเลื่อนผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณก็ฝืนใจฝืนใจไม่กินไม่กินแต่มองนี่ตาละห้อยเลยนะ <c oughs> ตาละห้อยเลยนะมองโอ้สุดแสนเสียดาย <c oughs> ถ้าอย่างเงี้ยคุณไม่มีปิติคุณฝืนใจจริงแต่คุณเก็บกด <c oughs> ถ้าคุณฝืนใจอย่างนี้คุณเก็บกดเดี๋ยวก็ไม่รอด ลาบลองเลยทุเรียนจะไปไกลแสนไกลถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวก็เอากลับมาได้เออถ้าคุณถึงเก็บกฎไว้เดี๋ยวระเบิดมันถึงบอกว่าจะไปรอดได้เนี่ยต้องมีปิติในการฝืนใจในการต่อสู้กับกิเลสแล้วเนี่ยแล้วคุณจะป้องกันความเพียนให้ให้เพียนไปได้ตลอดไปเนี่ยคุณต้องมีปิติโอ้โหนี่เราฝืนใจได้นะออืวันนี้ไม่ได้กินทุเรียนหิวก็จริงนะเนี่ยโอ้โหขาดอะไรอ่ะ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 นี่แหละจะป้องกัน ร, รักษาความเพียรทำให้ทำได้ต่อๆไปเพราะยิ่งทำแล้วยิ่งมีความสุขยิ่งทำแล้วยิ่งมีความพอใจใครจะไม่ทำอะ่ะถ้าคุณยิ่งทำแล้วยิ่งทุกข์ยิ่งทาแล้วยิ่งทุกข์แหมบอกให้เราไม่กินไม่กินดูที่เนี่ยคนอื่นก็เอาไปกินหมดเลยเราก็เลยไม่ได้กินเลยโอ้เรียกว่าเก็บกดหน้าดูเลยอย่างเนี้ยถ้าคุณคิดอยู่แต่อย่างเนี้ยคุณ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 แต่ไม่เอาท่าท่าศพนะบางคนก็ชอบเหลือเกินแหมใช้ท่าศพนอนแอ่งแมงเลยออกกำลังกายจริงๆจะยืดเส้นยืดสายอะไรยังไงเนี่ยคุณสังเกตไหมคนที่มองไม่เห็นประโยชน์มันหรือไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะเห็นเรื่องงานไปทำงานไปไปฟังธรรมไปสนทนาไปอะไรดีกว่ามีประโยชน์กว่า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 เพราะไม่เห็นจะมีคุณค่าไม่เห็นมีประโยชน์ไม่เห็นมีความสุขอะไรเกิดขึ้นกับเราเลยนะเพราะนะี้อันนี้ฝากไว้คนที่จะทําความดีแล้วก็ทําไปได้ตลอดแล้วจะต้องเกิดปิติอย่างนี้อิทธิบาสีเนี่ยทําไมทําแล้วสําเร็จเพราะฉันทะเนี่ยความยินดีพอใจต้องนํามาเลยเพราะฉันจะทําอะไรได้สําเร็จเนี่ยคุณต้องมีความยินดีพอใจที่จะทําในสิ่งนั้น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 แต่คนเป็นเอชทุกคนตายทุกคนหรือเปล่าเออบางคนเขาก็รอดได้ไม่รู้ละเขจะเป็นมากเป็นน้อยก็แล้วแต่เขาก็ไม่ตายเขาก็อยู่ได้อ่าเป็นมะเร็งหมอบอกว่าจะต้องตายในชท่านี้เดือนเท่านี้เดือ น, นอน่อาตายในหกเดือนอ่ะโยมอะไรนะโยมปราณีที่เชียงใหม่พ่อท่านยกเอามาพูดอยู่เรื่อยๆว่าโอ้โหนี่อยู่มาเป็นสิบสิบปีได้ละมึงเนี่ยไม่ใช่หกเดือนอ่ะดูสิ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 ออ่ะวันนี้คงพอเท่านี้นะ